วันนี้เป็นวันที่สองเมื่อในการเจริญพันกรรมฐ า, านสำหรับวันนี้จะขอแนะนำในตอนธาตุตามภาษาวรียธาตุบาปบาป ก, ก็คือตอนตอนว่าเรื่องธาตุธาตุก็คือธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมและไฟ <c oughs> ก่อนจริงแต่ละตอนของพุทธเจ้าท่านเปมาก เว้นใบธนวสีเนี่ยมาถ้าเวลาพูดกันก็ไม่มาถือว่าตามหนั้ราหลับหมดเพื่อความว่าก่อนที่จะพูดอะไรทั้งหมดรนดับแรกก็ขอเตือนญาติโยมพุทธเบิษัตยก่อนอกรรมฐานกองที่สําคัญที่สุดญาติโยมจะทํากองไหนก็ตามแต่จะทิ้งไม่ได้แต่คืออนาปานุสติกรรมฐาน ตอนนี้ทัานจะภาวนาไว้ยังไงเราตามพิศนาเราตามต้องรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนอาณาปาณิติกรรมฐานนี่คือกรรมฐานที่คุมกรรมฐานทุกกองต้องขึ้นต้นก่อนหลาังจากขึ้นต้นอาณาปาณสติคือลมหายใจนี้ออกให้ใจเขาออ้เขารู้อยู่หายใจเขา้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกในอย่างหยาบขั้นต้น ต่อไปก็ให้ใจเท่ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ในอย่างละเอียดถ้าละเอียดถึงที่สุดสมาธิสูงสุดเป็นชานถ้าเวลานั้นติดทรงชานเล็กน้อยสันเบื้อต้นเป็นหนึ่งสองสามจะรู้อากากเรเขาลมตั้งแต่กระทบเจ็ บ, จบกวดเรื่อยไปทั้งนอกไปถึงศูนเหนือยเมื่อเหนื่อย ส, อสดอเดือดต่อหายใจออกกระทบศูนย์เหนื่อยสะเดือถึงกระทบหน้าอกกระทบปลายเจ็บปวดเรรู้ตัว ถ้าคกว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นได้ทราบว่าเวลานั้นจิตชานถ้าถามว่าชานอะไรก็ต้องตอบว่าชานหนึ่งถึงฌางสามไม่ใช่ชานสี่ถ้าชานสี่ที่จะไม่ความไม่มีความรู้สึกสัมผัสกับลมเพราะว่าประสายกับจิตแย่กัะเด็กคาดที่มีความรู้สึกว่าเหมือนไม่หายใจ ในความจริงหาย ใ, ใจแับจิตประสาทแยกกันจิตรับทราบเรื่องของประสาท <c oughs> ก็แปลว่าตอนต้นของบรรดาญาโยมพขาจบริสัท์ทุกคนใช้ลมหายใจเข้าออกก่อนกอนลมหายใจเขาออกนี้จะลิลอนาปานิษษติเป็นกรมมฐานที่กันความพุ่งสร้างของจิตที่จิตมีความพุ่งสร้าง น, นั่น ถ้ารู้หลวงพ่อใจเขาออกมันจะยักยักยก้งทันทีนี่ระดับต้นนะถ้าต่อไปก่อนที่บันดาญาติโยมพระตุภิษฐ์จะทํากรรมฐานกองอื่นหรือว่ามหาจิตฐานลสูตรมหาจิตฐานลสูตรนี่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสามวันเมื่อวันนี้กับวันนี้กับวันนี้เป็นกรรมฐานที่มีกองเป็นกองสําคัญมากโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเป็นกรรมฐานเฉพาะ ตัดอารมณ์เข้าถึงอนาคา ม, มีและอรหันต์เทียกในที่น่นามตีเออที่ในกรรมฐานสี่สิเสี่ว่วากายชะตาโนสติแต่ว่าในมหาทีามฐาน้รโสดชั้นแยกใสเป็นปฏิบูรบัตบ้างธาสีบ้างนวสีบ้างตรงนี้นวสีคือเราความว่าก่อนจะรู้อะไรทั้งหมด ให้บรรดาญาโยมพุทธิสัจยกรรมฐานกองสำคัญที่สุดไว้ก่อนตอนตอน้นนั่นคือหนึ่งบรรนาลตพิกรรมฐานจึงมีความเข้าใจต่างความเป็นจริงว่าชีวิตนี้ต้องตายในการได้สองเข้าถึงไตรรณาคมไม่สงสัยในความดีโองจ้าพระธรรมพระอริยสองยอมรับนับถือด้วยปัญญา แล้วก็รายกา ร, 3, ท, รที่สามส่งถึงห้าหรือก็หมดสิทให้บริสุทธิ์ให้จิตทรงตัวอย่าละเมิดใหม่ๆมัก็ลืมบ้างไป็นของธรรมดาต่อไปนานยก็ชินไม่ลืมแลได้ช่วงเดียวกันจิตหวังไม่ได้ผ่านไปคิดไปถ้าทรงใจได้ตามนี้จํำเป็นจะต้องสอถ้าหวังหาทิดฐานรัตสูตรสมาธิไม่ขันนะเพราะมหาทิศฐานรัตนสูตร น, นะ น, ตรนี่ท่านตั้งอารามณ์เนโดยเฉพาะ ว่าจะปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่งก็ตามให้หวังผลสองอย่างคื อ, อนาคาเมีและพระอรหันต์ที่พูดม า, าเมื่อกี้นี้แปรลมของพระโสดาบันในสิ่งนาคาเมียอันนี้ต้องอไว้ก่อนเพราะว่าถาใจจิตใจบุคคลใดเข้าถึงอารมณ์ของพระโสดาบัน <c oughs> เราจะเป็นปะโสดาบันหรือไม่เป็นก็าตามไม่ต้องสนใจสนใจอย่างเดียวว่าเราลืมความตายหรือเปล่า <c oughs> เราไม่ลืมความตายจิตใจยอมรับนับถือพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์วยความจริงใจหรือเปล่าให้ยอมรับนับถือจริงดูสินห้าและกำหนดสิทธิ์ถ้าแค่์สินห้าเราถือว่าเข้าสินไตรส น, นาคมถ้าทรงกำหนดสิทธิ์ได้ก็ถือว่าเป็นประสงค์ดาบันและสีทาคามีที่แยกตามนี้ท่านญาติโยมบ่าจะบอกว่าบางคนอ่านหนังสือ เพราะว่าเราศีลก็ศีลแร้ก็ตับรามาสท่าศีลห้าก็ดีศีลแปก็ดีข้อู้สาวาทเนี่ยห้ามไม่อย่างเดียวคือห้ามมุสาวาทแต่ว่าพระโสดาบันก็ดีพระสิทธาคามีนก็ดีท่านไม่พูดมุสาวาทโ ด, ดยไม่พูดคำหยาบเป็นที่ะเชินใจแล้วบุคคลรับฟังด้วย ไม่ใช้วาจาส่อเสียดให้ชาบ้านแตกกันด้วยไม่ใช้วาจาเหลวไหลไรประโยชน์ด้วยจริงๆแล้วพระโสดาบันทรงกรรทรงกําหนดสิ่งการไม่ใช่สิ่งห้าโดยเฉพาะเพื่อกำหนดสิ่งสิ่งห้าคล้ายคลึงกันแต่แยกไปด้านทางจิตใจยังให้กอบัดายญาตโยมวุริษัจไรสามด้วการสัญญอคือหนึ่งสกาญาติอย่างนยั มีความรู้สึกว่าต้องตายอย่าลืมสองวิจิตจฉามไม่สงสัยในความดีพระเจ้าประรรนนะพระอริสงอรียสงยอมรับตเณทฑท์ในความเคารพจริงสามศีลประสาบรามากมีสินหายนำวทศิษย์เขพูดจริงสี่อิทธิมุขวิภานเพียงเท่านี้ทุกท่านจะตัดอบัยภูมิได้เลย ตังแต่ชาตินี้ไปขึ้นอย่ ก, การเกิดในรกดีเบสเฟรกรเบียสวรกายก็ดีสติใจ ก, ก็ดีจะไม่มีสำหรับท่านท่านจะเกิดอย่างต่ำแค่มนุษย์นี้ฉะนั้นก็เทวดาบัางสมบ้า ง, บ, างบนกระไปบุญมาถ้าบารมีเต็มก็ไปนิพพานจะเป็นท้าอรหันโสดาวันมีสามอย่างคือสตัตวตขตรง อย่างนี้ต้องเกิดอีกเจ็ดชาติจึงเป็นพระรหัาร่ารมเบามากอ่อนมากไปจะไม่ลงใบหูแน่สองโกลังโกระติดไปกลางทรงตัวไปกลางไม่เครื่องเคียดไม่ถึงนะักไม่ละเอียดนะักอย่างนี้ถ้าเกิดอีสามชาติเป็นพระรหรัสรากว่าอย่างละเอียดที่พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระโสดาบันละเอียดนะั่คือเอกเอกวิช e ี e เอราวัณนี้มีกําลังเสมอสิทธาคารมีหมายความระเกิดอีกชาติเดียวเป็นพระรหันตี่ว่ากันตามแบบนะองขอบัมด า, ญญาวิทยองวิทยดจก่อนจะเอาเดืนทั้งหมดให้ยึดสังทำลายสัญญาสามราการให้ในก่อนความรู้สึกว่าไม่ตายจงมียามีใจติตการสงสัยในความดีพุฒิเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จงยามีใช้ปัญญา ก, ก่อนนะั้นจะเชื่อเฉยเฉยว่าควรหรือไม่ควร การทรงสิง่ายกำหนดสิจงมีคบคุณจิตของนิพพานถ้าตั้งอารมณ์ไว้อย่างนี้ต่อไปมหาสิทธานสุสูตรจะทําได้หรือยังไม่ได้ไม่สําคัญเพราอย่างน้อยคํำว่าประโสดาบันแปลว่าเขาเข้าถึงกระแสนิพพานแล้วเข้าได้ขอบเขตไมนิพพาไปไหนไม่ได้จะลงนรกก็ไม่ได้เกิดชิงซึ่งก็ไม่ได้พุรกายก็ไม่ได้เศรษฐีทั้ ก, ก, ก, ก็ได้เราก็มีความสุข ตอนนี้ไปก็มาว่าหรือาหาติฐานสูตรที่จะว่ากันต่อไป <c oughs> ตอนนี้เป็นเรื่องของธาตุธาต <c oughs> ุสี่ธาตุบาปคําว่าธาตุสีก็ไม่มีอะไรว่าเป็นภาษาไทยเลยภาษาวาลีไป่สนใจยกันย่อาจจะเผือใช่คนไหนบางทีมันย่อมจะเถือหรือขัดคอกันย่อมมาเป็นภาษ า, าบาีกมันนั่นก็น่าอานไมาใจ่หมในควรแล้วใะ บางทีมันก็ขัดคอไปกันคำว่าธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟรเราได้เจ้าทรงแนะ น, นำว่าพิคเค์วดูก่อนมิสูนหลายเอาภาษาบีหรือเปล่าไม่ใช่ภาษไทยฉ็นคนไทยว่าดูเอาเข้าใจได้นะยว่าดูก่อนมิสุนหลายเธอจงเจนนามหนึ่งเดืองนี่มอเผลอไม่ได้เลย เราวิจารณ์หนึ่งอย่างนี้ว่าร่างกายของคนของเราคนดีกายภายในที่ร่างกายเราก็ดีกายภายนอกคือร่างกายของคนอื่นคนดีประกอบวยธาตุสีคือธาตุน้าําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแล้วบอกว่าธ า, าตุทั้งหลายทั้งหมดนี้เป็นของหน้าเบือ่อเป็นของไม่น่ารัก ถ้าสมมติเอาว่าเธอั้นหลาน้ำค่าโคหนึ่งตัวจกนเนื้อกกระดูกหนังไปวางไว้กองหนึ่งเอาส่วนที่เป็นน้ำไปวางไว้กองหนึ่งท่านลมก็บท่าไฟมือจะกองที่ไหนท่านจักได้สองกองก็คิดว่าพระเจ้าจะลืมได้สองกองที่ท่านลงก็ บ, กกกงกงบัดไ ป, อไปเอามากองได้ไหมไม่ได้นะเพราะท่านไม่ลืมเราแย่ไง เรื่องความว่าท่านบอกเอาทั้งสองอย่างไปกองเข้าแล้วพิจารณาดูว่าอย่างไหนมันสวยสดงดงามบ้างจ้งมีความเข้าใจตามกรรมจรรยร่างกายที่เป็นธาตุสีส่วนที่แข็งเคลือหนังก็ดีเนื้อก็ดีกระดูกก็ตามฟันก็ตามเล็บก็ตามทั้งหมดนี้เป็นธาตุบินแต่ก็ส่วนที่เป็นธาตุน้ําไหลในร่างกายคือเป็นธาตุน้ํา ความอบอุ่นเป็นทาตไฟแล้วกาการไหลไปเราไม่ใจข้าใจออกเป็น่าตลม <c oughs> รวมความว่าธาตุทั้งสี่ประกอเข้าเป็นร่างกายเป็นเรือนร่างที่สรรหาสร้างขึ้นมันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์แต ถ, ถ, ถ้าบ้บองแค่ธาตุสีธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุตะตันะม ในตอนนี้ท่านบอกว่าเป็นสมถะภาวนาเรื่องที่ได้ว่าสมถะกรรมฐานไม่ยากคนนี้ไม่ยากอยาก่างมะไม่มีข้อไหนยากแต่ไหม <c oughs> ฉันพูดไม่ยากเจ้าสี่อย่างนี้ไม่มีการทรงตัวถ้ามุ่งท่าสี่เป็นสมถะภาวนาเรียกว่าเป็นสมถะกรรมฐาน การยิงจำได้กรรมฐานก็คือสายไม่บรรลัยกรมกรมฐานในของควบกันนะต้องอยู่ด้วยกันแล้วต่อไปก็ใข่ควรสภาวะของเลือดก็ดีของหนังก็ดีถ้าดินก็ตามถ้าไปก็ถ้าลงก็ตามถ้าไปก็ตามถ้าน้ำก็ตามถ้าน้ำคือไรน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำร้องความปัสสาวะก็เลยา้ำลายไปถ้าน้ำทำไม หนังเนื้อกระดูกเล็บฟันเป็นธาตุินความอบอุ่นเป็นธาตุไปนราเอมากองไม่ได้การไหลไปเล็บมาก็ลมเป็นธาตุลมลมไม่ใจเราเอามากองไม่ได้ลไลดลธธลลแล้วาา ก, ลก็เลยบอกให้กองไว้สองกองก็นั่งดูว่ากองไหนมันดีแล้วก็จะเห็นตามความไปจริงว่าทุกกองไม่มีดี เรามีดินแล้วก็ทุบก็ดินตอนนี้เรีนเป็นวิปัสนาญาณนะเรียมเข่าเมื่อที่ที่เป็นสมถภาวนาตอนนี่ไปเป็นวิปัสนาภาวนาแล้วก็มองดูดินเรามีท่าดินแล้วก็ทุบก็ดินท่าดินมีอะไรบ้างมีฟันนะมีฟันแล้วก็ปวดฟันใช่ไมน้องมาเข้ามาถอนฟันแล้วก็ปลูกฟันไม่จบนะ อาการปวดฟันรำคาคที่ฟันเป็นทุกข์หรือฟันโยกฟันคลองปวดฟันเป็นทุกข์ที่ทุกข์จากธาตุดินหนึ่งเป็นการที่สองร่างกายเป็นธาตุดินถ้าร่างกายบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งกระทอกระท่านกระหน่ำเรื่อเลือดเข็มมีความเจ็บก็เป็นทุกข์มีธาตุดินแสดงสภาพร่างกายอ่อนแอนั่นคือความป่วยไข้เฉยไป การทลายทำลายสภาพดินทุดโทมตัวเราก็เป็นทุกข์ป่วยนี่มันเป็นทุกข์รวมความว่าขึ้นชื่อว่ามีภาคดินแล้วก็ทุกก็ดินมีสภาคน้ําแล้วก็ทุกข์ก็น้ำปัสว ะ, สะเสลต้นลายถ้าปกติเราไม่มีทุกข์ถ้าปัสสวะขั้นตัวปัสวะไม่ออกแล้วปัสวะไม่นสนดวก พอป ร, ก ร, กระกอบเรียกเสลี่ยต้องลายต้องขาดต้องถุเยเจ็บคอต้องปดวดทางปัสวะอาการนี้ก็มันทุกเรียว่าทุกต้นน้ำถ้าเลือดน้อยเกินไปแล้วก็ทุกทุกเพราะเลือดน้อยน้าไม่กันเลยน้ําเลือดเรากาวว่าการที่เรามีร่างมีธาตุดินแล้วก็ทุกเพรดินเรามีธาตุน้ําน้ําไขัดข้ อ, นขขอนในร่างกายแล้วก็ทุกต้นน้า เรามีธาตุไฟคือความอกุ่นถ้าธาตุไฟําเริบมากเสกิงใดความร้อนเกิดมากขึ้นแล้วก็ทุกเข้าไปไฟในร่างกายถ้าธาตุไฟน้อยลงไปร่างกายเย็นแล้วก็ทุกเข้าไปน้อยธาตลมถ้าบอดีพดีเราก็มีความสุขถ้าลมบกเล่องหายใจไม่พอก็มีความทุกข์มากเกินไปเหนื่อยก็มีความทุกข์ ร่วมกว่าว่าธาตุดินเราจเข้ามาอยู่ใะเรียสัตว์การเห็นทุกนี่คือเห็นอริยสัจใช่ไหมตัวพระเจ้าสนแนะนําตามนี้ร่างกายของคนเป็นธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุดมดึกไปท่านบอกว่ายามให้จัดเข้ามาเรียนกันเข้าพิจารณาดูอะไรมันดีหรือไม่ดี ดูร่างกายภายในใี่ร่างกายของเราก็ดมีธาตุสี่เหมือนกันที่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟถ <c oughs> ้าแต่ธาตุไม่เคยสมบูรณ์นักเดี๋ยวน่นคล่องแต่นี้ค้องการธาตุสี่ส่วนใดส่วนหนึ่งคล่องเวลานั้นเกิดจากการป่วยถ้าธาตุสีสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงนี่เราก็คลองร่างกายบินมันคล่องไม่เห็น มาต่อไปน้ำก็มองเห็นก็นลงความว่าธาตุทั้งหมด <c oughs> ทั้งสี่ธาตุเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีทุกข์ก็มีธาตุสี่ไปริ่ยร่างคำว่าเราไม่ใช่ธาตุสีคือเป็นกายกายใดใดที่เรียกว่าอธิศมารกายหรือว่าภาษาหนึ่งสื่อวิญญาณบ้างจิตบ้าง ให้ตรงต้องเรียว่าทิศสมาในกายคือกายที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนือนั่นคือเราเวลาที่เราใส่ท่าศีลไปในร่างท้าศีลมีกายเคลื่อนไหวไม่ทรงตัวแล้วก็มีทุกข์ดวงความเราเองกายภายในของเราก็มีทุกข์กายของคนอื่นภายนอกเขาก็มีทุกข์เช่นเดียวกันแม้แต่กายสติสังข์ก็มีทุกข์ท่านไม่ให้ว่าให้มองเห็นกันกายภายในและกายภายนอก แล้วมองทั้งกายภายในะและกายภายนอกต่างก็มีทุกข์เหมือนกันแล้วตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณนะเข้าอาริยสัจองสำคัญมากแล้วต่อไปก็มองดูความเสื่อมร่างกายเราก็ดีร่างกายบุคนลเองก็ดีกกกดเกิดขึ้นมาแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเมื่อมองความเสื่อมเกิดขึ้นตัวนี้เข้าอารมณ์เขอ้อนานาคามีก็ตั้งอารมณ์ไม่ได้ ในความเบื่อหน่อยคณิพิทายานเมว่าร่างกายของเราเราประทับขั้มชูเลี้ยงดูอย่างดีร่างกายก็าสุขสงก็ป่วยร่างกายคนอื่นก็ไป็สภาพเหมือนกันเมื่อวานนี้พูดถึงความสุขสงบวันนี้พูดถึงการไม่ทรงตัวในเมื่อมันไม่ทรงตัวแบบนี้ก็ต้องเป็นขอ ง, ของน่าเบื่อถ้าเราจะเกิดมีร่างกายอย่างนี้กิจชาติสภาพไม่ทรงตัวมันก็เป็นอย่างนี้ทุกชาติ ก็อาศัยสภาวะไม่สงตัวของมันมาอยู่ที่มอาการของความทุกข์ทังทุกขเวทนาต่อมากํานูไปยุมาคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ทั้งดีที่นี้ทุกเวทนาอย่างหนักตอหนดมเเลือร่างกายยังหนักแต่ร่างกายก็พังเราก็พังเขาก็พังเขาก็ตายเราก็ตายในวันนี้ความเบื่อหน่ายในร่างกายย่อมเกิดขึ้น เบื่อในธาตุดินเบื่อในธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเกิดเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมันก็เบื่อตัวเบือตอนนี้ท่าเรียกว่านี้คือทายาทแต่ต้องเบื่อจริงๆนะอย่าเบือเบือมั่งเลยเบื่อมั่งเผลอไปไม่ไม่เฉลิมไม่เบือมากพอรมณ์เบื่อถ้าเบื่อจริงๆเกิดขึ้นมาก็ท่านเรียว่านี้คือายานเป็นอารมณ์ก็อนาคตมีตัวเบื่อตัวนี้เกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับปิตใจ อารมณ์ลดสองใดการจะเกิดขึ้นตามถ้าเราเบิดจริงๆนะปฏิบัติเล็กน้อยจะไปเชื่อใจเราเบื่จริงไม่แน่นอนทุกอย่างต้องสัมผัสถ้านึกอยู่แต่เดียง ว, ว่าชั่ววันเบืเบอ่อนั่นไม่จริงต้องสัมผัสจริง <c oughs> ถ้าสัมผัสจริงอารมณ์ไม่รู้สึกตามนั้นจริงชือ่อเปิดแท้เมื่ออาการเบรื่อหน่ายเกิดขึ้นวิจทายาณเกิดขึ้นอารมณ์ที่ติดตามมาจะต้องละทิ้งกัน ทำลายกันนั่นคือการมฉันทะกับปฏิฆะความเบื่อเกิดขึ้นการม่ฉันทะความรู้สึกในเพศเคาลดตัวลงนัเข้าตาเข้าความรู้สึกในเพศไม่มีสัมผัสเพื่อนระวางเพศหมดเรื่องใช่อะไรไม่ได้นความรู้สึกไม่มีและข้อที่สองคือปฏิฆะอารมณ์ไม่ชอบใจอย่างจริงจังไม่มี หมายความว่าอารมณ์โกรธที่ประกาศเป็นศัตรูเราไม่มีแน่นี่นขั้นแรกเขามหาติฐานสุเข้าจุดแรกคืออนาคามีแล้วพระเจ้าก็ทรงแนะนําต่อไปจนไม่เนิพพิทายานนิพพานายานอริยสัจด้วยนิพพิทายานเข้าถึงนิฐานิพพิทายานตัดสังโยกต่อไปข้อสุดท้ายพิจพรณเจา้าเขาแนะนํา ว่าเธอทั้งหลายจงคิดนย่งเดียวว่าเราไม่สนใจต้องสิ่งทุกอย่างในโลกเราไม่ติดในร่างกายของเราคือกายภายในเราไม่ติดในร่างกายภายนอกคือกายคนอื่นเราไม่ติดในวัตถุาาา ธ, ธาตุใดทั้งหมดติดวางเฉยเมื่อมีกายมันหิวและตัวเรียนกายมันหนาวและหาของอุ่นมาให้ประคับประคองกาย ให้ร้อนเราก็หาของเย็นมาให้ผสมประกอบกายเป็นการบรรเทาทุกข์ตุกนาแต่ว่าถ้าร่างกายอยากพังก็เชินพังเป็นหน้าที่ของกายเราไม่มีความออยื่อใจในร่างกายไม่ได้หมายความร่างกายจะตายเหมือนบนบานไสก้ก่าบขอไม่อยากตายมันไม่มีผลอารมณ์อย่างนั้นไม่มีในเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นร่างกายมันจแก่จิตก็สบายเฉย ร่างกายมันร้อยเกินไปมันหนีหาทางหนีอะไรไม่ได้ก็เฉยหนาเกินไปไม่มีทางหลบก็เฉยแล้วร่างกายป่วยไข้เป็นใมบมันหนีไม่ได้ก็เฉยปล่อยมันร่างกายมันอยากจะตายก็เฉยอย่างนี้ท่าเด็กสังขารุเบอยา่างเพื่อสังขารุเบคาญาณนี้เป็นอารมณ์ของพระอาหารหันต์เพื่อความว่ามหาจิตฐานาสูตรที่พระเจ้าทรงแนะนํา ท่านบอกให้หวังผลสองอย่างไม่ได้หวังอนาคามิริศวดาบันเลยต้งขอโทษไม่ได้หวังที่ทธาคาเมริศวดาบันเลยให้หวังเฉพาะอนาคามีกับพระรอรหันต์ดังนั้นบรรดาญาโยมพระบริษัทการหวังอย่างนี้หวังได้แต่ผลไม่เกิดยากก็อย่ากระบาดคิดว่าคนทุกคนที่หน้าในทั้งหมดไม่สาวไม่มีใครสามารถเป็นพระอรหันต์ได้เช่นอย่างนี้ผิด เราความเป็นรกหันมีได้สองตอนตอนแรกขณะที่ทรงชีวิตอยู่ทำงานทำการได้พูดได้เดินได้ไปไหนไปไหนก็ไปได้ตอนนี้ตัดกิเลเป็นสมุเิเทสัหายก็ได้แต่รู้สึกว่าจะมีการปฏิบัติที่ยากหน่อยก็ต้องอาศัยบารมีถ้ามีบารมีเข้มข้นก็ไม่หนักตน มีตอนหนึ่งที่เป็นแด้หันกันง่ายละปฏิผัติเป็นงานเยอะนั่นคือตอนป่วยแล้วก็ใกล้จะตายให้ป่วยโทษที่จะตายที่มันมีทุกขเวทนาอย่างหนักคำว่าเป็นสุขจะไม่มีในในขณะนั้นเลยมันจะมีการเป็นทุกทุกจุดอาศัยที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟัง ค, คำแนะนำจากพระบ้าง อยากเพื่อนทะเลาะกันบ้างที่มีความรู้อ่านหนังสือบ้างดูตัวอย่างบ้างรู้รว่าต่างๆบ้างก็มีความรู้สึกว่ากายเกิดเป็นนกมันทุกไม่ดีกายเกิดได้ต่ใบภูมิทุกใหญ่ไม่ดีและก็ส่วนที่ดีจริงๆก็คือพันธุ์พันสวรรค์และพระเโลกก็ไม่ดีดีแต่ดีแต่ ด, ดีไม่นานไม่ชอบที่เราต้องการพันธุ์ นี่ก็ว่าจิตต้องการนิภัยเขาใช้เวลาแบบไหนเอาใช้เวลาง่ายๆเวลาก่อนที่จะหลับที่สระกับหัวสองอย่างนี่ถึงหมอนผมไม่้รที่สารหัวเป็อดที่สารเฉันไม่มีที่สารมีแต่หัวนะยิ่งขณะที่ที่ทสารถึงหมอนเวลาตาหลับจิตมันยังไม่หลับ ว่าทางคิดตามความเป็นจริงว่ากายเกิดในโลกมนุษย์มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมลีเป็นเดือดดาลหรือผมกม็สุขโชคราวร่ำนาการมันีเราต้องการนิพพ า, า, านคนเยี่ยงไปนิพพานยังไงคืนหนึ่งให้ทานตามกำลังที่ถึงให้ได้เป็นการตัดโลภความโลภรักษาศีลคือเมตตากรุณาสองตัวคุมเป็นการเป็นการค่อยๆตัดโทสะความโกรธ ความไม่เชี่ยงแน่แน่รเทั้งๆในไม่จิตในความไม่เชี่ยงแค่แน่นอนเพราะโลกเป็นการตัวตัดตหาความหลงเราคิดในใจเราขึ้นเกี่ยวความโลกอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นจะไม่มีในเราการบริการตัวไปสู ก, ดดกับใครจะไม่มีในเราการหลงติดในร่างกายว่าเป็นเราของเราร่างกายไม่ตายจะไม่มีในเราเราจะเปิดยเป็นตายสภาพตายไมื่ไรเพราะปณิพายมันนั้น เอาอย่างนี้สักวันเราสองนาทีก็หลับแต่ให้ทุกวันเนะี่ยคือว่าไม่ต้องเหนื่อยก็ได้พุดส่งมาไปให้ทิดอย่างเดียวว่าเราจะไม่โลกไม่แย่งเขาไม่โกงเขาเอาลโลกเนียขยันมันเพียงเขาไม่ถือว่าโลกเป็นสัมมาจีวะเราจะไม่แย่งไม่โคดไม่ขโมยไม่โกงค ง, งใครหนึง่งต่อความโลกอย่างยาง สองระยะทรงศีลนิสัยเมตตากรุณาสองอย่างควบคุมเป็นการเข้าไปตัดความโกรธในการที่สามนาก็ร่างกายทางแน่แล้วไม่ต้องการาอะไรเป็นการตัดความโกรธ ค, ค่อยค่อยคิดอย่างนี้แล้วหวังนิพพานเป็นทีไปทําจิตให้มันจิ้มแล้วได้เส้นน้อยไม่ต้องมากนะแล้สองสามนาทีก็ปล่อยจิตก้านหลับไป ถ้าท่านทำทุกวันอย่างนี้ถ้าทำช้าเป็นไใหม่สักนิดสองสามทีจะดีมากว่าจิตบ้างเพราะนั้นจิตหายเหนื่อยถ้าทำได้อย่างนี้ทุกวันเท่าขณะใดาถ้ามันป่วยอาการจะเครียจริงๆตอนนั้นจิตของทุกคนจะเป็นเริ่มเป็นสังขารุเปฆา ย, ยานันอารมณ์มันจะเฉยตอาการทั้งหมดเฉยต่อร่างกายตัวเองมีความรู้สึกว่าวร่างกายก็จะพังช่างมันไป เฉยเจ้ร่างกายเขาบวกว่อื่นเฉยเจ้วัตวถุธาตุต่างๆมันเฉยจริงๆอย่างนี้เป็นกันหลายคนแล้วในคณะของเราชาติมาเองเนะ่ยเคยเคยป่วยเพระมันก็ปีนางนั้นมือนกันคําว่าบอกแล้วเขาม็บอกอะไรบอกความจริงเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็จะสังขารเปรีายญอย่างอ่อนเมื่อสังขารเปรียาญาย่างอ่อนเริ่มขึ้นถ้าทุกขเวทนามากขึ้นสังขารเปรีายญามันจะครบทนรบรรลุ นั่นคือตายกิเลส ท, ทั้งหมดเองเมื่อตายกิเล ท, ทั้งหมดก็เป็นพระหันยิงไหมตอนนี้แบบเนี้ได้กันเยอะก่อนจะตายเป็ น, รนพระหันได้เยอะก็จิตคุยเรื่องิพพานจนชินฉะนั้นขออนุญาตญาติโยมบริษัททุกคนวันนี้เราศึกษาเรื่องธาตุในมาหาปิฏฐานสูตรการจิงใจคิดว่า ง, ง่ายอารมณ์ก็พูดกันมนง่ายอารมณ์มันหนัก แสดงว่าก็ยินอยากประมาทในตัวเองให้มีความรู้สึกในร่างกายว่าธาตด้วยยึดอารมณ์โสดาบันให้ส่งตัวด้วยและถือการวางเฉยในร่างกายของเราร่างกายอุณหพลิซัสสินต่างๆค่อยๆวางวางในวันหนึนาทีใช้ได้อย่างนี้ถ้าจะตายไปอะไรอารมณ์ใจเข้มงวดธรรมุตุบระสัทจะตัดเส้นขาดุจวิคลายานได้นั่นคือเบญกลางันองตอนนี้ไปวันใดญาติโยมทุกท่านตั้งใจสมาทานสีนสมาทานกรรมฐาน